ด้วยความนับถือในพระรัตนตรยัยด้วยความนับถือในหลวมพ่อกำเขียนกราบขอโอกาสจากหลวมพ่อทงสุขนะฮะพระจันยุกจีเอาพระจันยุกจีไม่มาฮ ะ, ะพระจันสุรินและก็เพื่อนซาธรรมิกนะ ก, <c oughs> พกนะะ็พวกเรานะฮะเมชีพวกเราอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ก็เราอยู่กันที่นี่นะก็อยู่กันด้วยการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อําเขียนก็เรียกว่าได้ส่งเรียกว่าส่งสารให้พวกเรากันตลอดมาไม่ว่าจะขยับเนื้อขยับตัวไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวาหลวงพ่อก็พยายามที่จะหยิบเอาสิ่งใกล้ๆตัวมาเป็นเรียกว่ามันเป็นเครื่องเตือนสติมาเป็นเครื่องที่ทาให้พวกเราได้ เหมือนกับได้เจริญสติกันในทุกๆอย่างตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ก็พยายามชี้ให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยก็ถ้าเราได้เห็นถ้าเราได้ยินเนาะถ้าเราได้กลิ่นถ้าเราได้สัมผัสสิ่งต่ตางๆนานาเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไดเอามาใช้เป็นเครื่องเตือนสติเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ เหมือนอย่างที่เมื่อกี้พระจันทร์สุลินได้พาเราสวดนะการเห็นความจริงของพระอริยะเจ้าตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการเป็นผู้ดูที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยพยายามที่จะชี้ให้พวกเราได้เห็นอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พวกเราต้องพัฒนากันแล้วก็การเป็นผู้ดูตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเราใช้ตาที่เรามีอยู่เป็นอันเป็นการดูเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ต้องหัดแล้วเนาะลืมตาขึ้นมาก็เห็นแล้วลนะ่ะ นี่ว่าการเห็นความจริงของพระอริยเจ้าตรงเนี้ยเราจะเห็นด้วยอะไรก็ตรงนี้ก็คือการเห็นด้วยสติเพราะเนื่องจากว่าสติเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่เป็นผู้เห็นนะเรียกว่าเป็นผู้หัดให้เราได้เห็นเห็นความจริงตรงนี้เห็นความจริงของอะไรก็คือความจริงที่ว่าใช่ไหมว่มาทุกอยู่ที่ไหนกันเกิดจากไหนกันเนาะแล้วก็ความดับทุกข์ เนาะที่เรากำลังเพียนหัดกันเนี่ยมันมีได้จริงๆหรือเปล่าเราเห็นไหมตรงนั้นหรือว่าวิธีทางที่จะทำให้เราไม่มีทุกตรงนเนี้ยเนาะก็คือเป็นวิธีทางที่เรากำลังรู้สึกตัวกันเนี่ยใช่หรือเปล่าตรงนเนี้ยเนาะถ้าพวกเราทำให้มากตรงนี้เนาะไอความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราก็ลดลงอย่างที่กรณีที่ประจันทร์สลินพูดถึงบักเขียบหลอดเนาะ ก็ดีหรือว่าจะเป็นพูดถึงเรื่องเข้าเปลือกก็ดีอ่าก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ผ ล, ลไม้นะก็จะเป็นสิ่งที่เราได้กินได้ใช้กันผ ล, ลไม้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลเนาะของดอกของผลของต้นไม้ที่เขาเติบโตขึ้นมาหรือว่าผ ล, ลไม้เองก็เป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าเป็นการเกิดใหม่ เป็นการเกิดใหม่อย่างเข้าเปลือกก็ดีหลวงพ่ะเทียนก็จะพูดเปรียบอยู่เสมอๆเนาะบอกถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้ทำตัวเป็นข้าวเนาะเม็ดข้าวที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่เป็นเม็ดข้าวที่รีบที่ปอเนี่ยการที่พวกเราจะได้เหมือนกับเรียกว่าพวกเราจะได้เจริญไปในธรรมเนี่ยก็มีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่มีอยู่หมายถึงว่า เป็นไปได้อย่างยิ่งหรือว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าข้าวเนาะถ้าเกิดว่าข้าวมันไม่รีบเนาะอย่างเงี้ยเวลาที่ใส่ลงไปในดินได้น้ำเนาะได้แดดเนี่ยเดี๋ยวข้าก็งอกงามขึ้นมาตรงเนี้ยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อคําเขียนก็ดีหลวงพ่อเทียนก็ดีเนี่ยก็เป็นผู้ที่ยืนยันตลอดมาว่าการปฏิบัติธรรม ถาหาว่าเราทำจริงก็ได้ผลจริงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็ยังพูดก็เรียกว่าพูดยืนยันนะว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำเนอะอันนี้ไม่ได้หมายถึงดูแคลนพวกเรานะอย่างนี้แต่ว่าหลวงพ่อจะบอกเคยพูดอยู่เสมอๆว่าพวกเราทำเดือนหนึ่งเนี่ยเหมือนหลวงพ่อทำวันหนึ่ง <c oughs> ตรงนี้เนี่ยนะก็หลวงพ่อก็จะยังบอกนะบอกผ่าน เรื่องราวที่บอกว่าเนี่ยถ้ากุติเดิมที่หลวงพ่อเคยอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่ที่ป่าพุทธยานเนี่ยอยู่เนี่ยก็จะได้เห็นเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะนั่งอ่าก็เรียกว่านั่งเจริญสตินะนั่งสร้างจังหวะเนี่ยในรูปแบบที่หลวงพ่อก็จะเอาหลังพิงฝานะแล้วก็เอาขาเหยียดไปข้างหน้าแล้วก็นั่งเรียกว่านั่งสร้างจังหวะหลวงพ่อบอกว่าเหงือง่อเหงื่อไหลคลยย้อยเนี่ยที่มัน ก็เรียกว่าผ่านออกจากขาไปแตะลงที่พื้นเนี่ยก็บอกตัวนั้นก็จะเป็นรอยมันเนาะ <c oughs> เป็นรอยมันหลวงพ่อก็อาจจะเป็นสิ่งที่อย่างอก็เรียกว่าเป็นสมญานามของหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อบุญธรรมนะชื่อหลวงพ่อจ่อยใช่ไหมฮะพอหลวงพ่อเองก็อืหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เรียกหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออะไรเนาะไม่เพี้ยนไม่หลวงพ่อเราน่ะหลวงพ่อบุญธรรมเรียกหลวงพ่อจ่อยว่าหลวงพ่อไม่หลวงพ่อบุญธรรมผอมๆใช่ไหมเรียกหลวงพ่อจ่อยแล้วหลวงพ่อเราเรียกว่าหลวงพ่ออะไรเนาะหลวงพ่อเล่านี่เรียกหลวงพ่อไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้คำว่าอ้วนนะต้องขออภัยนะแต่จาไม่ได้นะแต่ว่าอย่างนี้ล่ะ หลวงพ่ออ้วนก็คือสิ่งที่แบบตรงกันข้ามกันนะนั้งคนอ้วนก็จะมีไขมันหน่อยนะการที่นั่งเหยียดขาไปอย่างนั้นเวลาดั่งสร้างความเพียรอยกระทั้งเหงื่อไหลใครย้อยเนี่ยพวกน้ำมง่งน้ำมันมันก็ติดกระดานกันไปะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะการที่เรากําลังสร้างความเพียรตรงเนี้ยก็เหมือนกับเรากําลังลดน้ำนะให้ปุย๋ยกับเมล็ดพันธุ์ตรงเนี้ยการที่ ยังงอกงามขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้เลยคือจริงๆแล้วหนุ่มพ่อครูบาอาจารย์ตั้งหลายแลเนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะอย่างครั้งหนึ่งหุ่มพ่อมหาไหลก็เคยพูดบอกว่าการสร้างความเพียรก็เหมือนกับเนาะเราเนี่ยกลังอ่ากเรียกว่ากาลังลดน้าเมล็ดพันธุ์อยู่ถ้าหากว่าเราเพียรเนาะถูกทางเนี่ยก็คือ ลดน้ําเขาเดี๋ยวแดดก็โดนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวแดดส่องมาเขาได้ความอบอุ่นเขาได้แสงเราก็ลดน้ําไปลดน้ํำไปไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องคิดเนาะก็เดี๋ยวก็มเมล็ดพันธุ์ก็งอกขึ้นมาเองเรียกว่าความงอกงามในธรรมเนี่ยก็เหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ที่เขางอกขึ้นมาเองคือเราไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่ว่าสร้างเงื่อนไขเนาะสร้างเหตุให้เกิดผลก็จะตามขึ้นมาเอง ตรงเนี้ยนะก็จะเป็นสิ่งที่เนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะเปรียบมเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นเปรียบมเมล็ดพันธุ์เหมือนกับสิ่งที่เ็าเรียกว่าเป็นธรรมในตัวเราเนี่ยที่กำลังเ็าเรียกว่ารอการพบเห็นนะสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วหลวงพ่อคมเขียนจะบอกบอกว่าในขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะเนี่ยก็ไม่ใช่ทาอะไรเนาะ ทำให้ความจริงในตัวเราเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาเท่านั้นเองหลวงพ่อจะใช้คํานี้อยู่บ่อยเนาะทำให้มันโชว์ขึ้นมามันมีอยู่แล้วละทําให้มันโชว์ขึ้นมาซึ่งตรงนี้ยพวกเราก็จะได้เห็นว่าเพียงพวกเราเนี่ยเริ่มยกมือสั่งจังหวะเท่านั้นสิ่งที่เราเรียกว่าความรักคิดนะก็จะเป็นสิ่งที่วิ่งแสงหน้าแสงหลังนะในภาษาของหลวงพ่อเขียนนะขึ้นมาทันทีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไม่เคยเห็นเนาะอย่างนั้น หรือว่าอย่างเรื่องความง่วงเนี่ยทุกคนก็จะได้เจอขึ้นมาในทันทีที่เรายกมือสร้างจังหวะกันไม่นานเพียงแค่ในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเนาะเราก็จะได้เห็นความง่วงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเขาเรียกว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราง่วงเนาะเราหลับเนาะง่วงเมื่อไหร่ก็นอนเมื่อนั้นง่วงเมื่อไหร่ก็นอนเมื่อนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็อยู่กับความง่วงกันมาตลอดแต่ว่าคาเรียกที่เรียกว่า สภาพธรรมปรากฏกับเราเนี่ยมันไม่มีคําว่าสภาพธรรมปรากฏกับเราก็คือเมื่อสติได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนาะอย่างนั้ น, า น, นการเห็นความจริงเนี่ยการเห็นความจริงผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นมาผ่านการยกมือสร้างจางังหวะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่บางทีเนาะเราก็จะถูกคําถามที่บอกบอกว่า เป็นอะไรแบบว่าไม่เคยง่วงขนาดนี้มาก่อนเลยการปฏิบัติแบบนี้ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นคือตรงนี้นั่นคือคำตอบที่ว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าความว่วงเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีความว่วงมาเราก็เาเรียกว่าไหลไปตามความว่วงอันนั้นเนาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่เมื่อเกิดการไหลเนาะ ก็เรียกว่ามันก็คือหลงเนาะหลงก่อนถึงจะไหลไปตรงเนี้ยบักเขียบหลอดเนาะก็จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคาเขียนก็จะบอกว่านี่ค่ะคือการเปลี่ยนหลงเป็นรู้เมื่อเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยไอ้ความหลงมันก็ตายไปเนาะตายสนิทไปเหมือนอย่างบักเขียบหลอดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะมันก็ฝ่อไปไม่สามารถใช้อยู่ใช้กินได้มันก็แข็งเนาะอยู่อย่างนั้นถึงแม้ว่า มันจะยังคงอยู่ให้เห็นอยู่แต่ว่ามันก็ใช้การไม่ได้แล้วนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะบางทีผลไม้เหมือนกันจะเป็นเมล็ดพันธุ์เหมือนกันจะเป็นเมล็ดเขาเปลือกเหมือนกันจะเป็นผลของน้อยหนาเหมือนกันแต่ว่านั่นคือเมื่อเปรียบเป็นตัวรูนะ้เนาะก็เบิกบานขึ้นมาได้แต่พอเวลาเปรียบเป็นตัวหลงก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละที่ลุงพ่อกำเขียน เขียนที่จะบอกพวกเราว่าหลงกับ ร, รู้เนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันหลงกับรู้เนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันเปรียบเหมือนกับที่หลวมพ่อเขียนบอกว่าโอ้มันก็เป็นเมล็ดข้าวสารเนาะที่ดีเนาะมันก็งอกได้ทําน้าเดียวกันมันก็เป็นบักเขียบหลอดเนาะที่มันก็ทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าการที่ในขณะที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะกันอยู่ยกมือสร้างจังหวะกันอยู่ตรงนี้เนี่ย สิ่งที่บอกว่าเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเนี่ยจะทำให้ความคิดเนาะที่เป็นสมุทัยเนี่ยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เนี่ยเขาเองเขาก็เขาเรียกว่าเป็นหมันไปเนาะเป็นหมันไปเหมือนปักเขียบหลอดที่มันตายไปมันฝ่อไปอย่างนี้เพราะนั้นคือตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราเนี่ยได้เห็นไหมในขณะที่ ความหลงมันฟอไปตรงนี้นะสิ่งที่เราเรียกว่านิโรธเนี่ยก็ปรากฏกับเราเราได้ทันเห็นตรงนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะการที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะอยู่ยกมือสร้างจังหวะอยู่เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือการฝึกเป็นผู้ดูเนาะการฝึกเป็นผู้ดูการฝึกเป็นผู้เห็นเราเริ่มฝึกกันนะตั้งแต่แรกแรกเริ่มต้นเลยครูบาอาจารย์ก็บอกทันทีนะบอกว่าในขณะที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะอยู่เนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเนาะก็เรียกว่าเอาใจเนาะมารับรู้การเคลื่อนไหวของกายตรงเนี้ยในขณะที่เอาใจมารับรู้การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเราได้เห็นไหมเห็นผ่านอะไรก็คือเห็นผ่านสตินะสามารถรู้สึกได้ไหมว่ากายกำลังเคลื่อนไหวสามารถรู้สึกได้ไหมว่าใจเนี่ยกำลังมารับรู้การเคลื่อนไหวของกายอยู่เพราะฉะนั้นคือ ตรงเนี้ยในคำพูดสั้นๆที่พูดว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นความสมบูรณ์นะของสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้เริ่มต้นตั้งให้เราคำว่าเริ่มต้นตั้งให้เราก็คือเริ่มต้นกรรมฐานให้เราแล้วถ้าหากว่าเราทำกรรมฐานที่ถูกต้องตามนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยมีกายที่เคลื่อนไหวสองเนาะมีใจมารับรู้แะสมเนี่ยมีสติเนี่ย เป็นผู้เนา ะ, ะเขาเรียกว่ารู้ว่ากายกําลังเคลื่อนไหวอยู่และรู้ว่าใจเนี่ยกำลังมาลุกลุกมารับรู้การเคลื่อนไหวของกายอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ได้มอบกรรมฐานให้เราเอาไว้ตรงนี้ละ่ะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ตรงนี้ละ่ะที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่านี่คือการชี้ทางเดินที่ถูกต้องของครูบาอาจารย์ เป็นการชี้ทางเดินที่บอกว่าลองทำดูเนาะคำว่าปฏิบัติเนี่ยก็คือหมายถึงว่าลงมือทำถ้าลองทำดูแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นไปอยู่บนทางเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางที่พาเราพ้นทุกในทันทีตรงนี้หละเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ถึงได้บอกว่ามักต้องทำให้เจริญคำว่าทำให้เจริญก็คือทำให้มากหรือคำว่าการเจริญสติก็คือการใช้สติให้มาก ตรงเนี้ยเมื่อเราใช้ให้มากๆก็เกิดอะไรก็เกิดการคล่องแคล่วในการใช้ตรงนั้นเนาะเราจะใช้ปากกาดินสอเนาะใช้ให้มากๆแล้วก็เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ปากกาดินสอจับมั่นเขียนถนัดหรืออะไรต่างๆนานาเ่า น, า น, านี้นั่นการเจริญก็คือการที่ทำให้มากการที่ทำให้มากไม่มีอะไรที่ลึกลับเนาะการปฏิบัติธรรมของที่วัดป่าสุกโตเนี่ยหลวงพ่อคาเขียนก็ให้ก็เรียกว่าให้นโยบายเอาไว้หรือว่า ให้อืความชัดเจนเอาไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องลึกซึง้งเพียงแค่เราทําเท่านี้ละ่ะ mm. ก็เรียกว่าสร้างเหตุที่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวผลเกิดขึ้นมาเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นความลึกลับแต่เป็นความลึกซึง้งมันอาจจะแปลกเนาะในสายตาของคนอื่นๆที่บอกว่าเอ๊ะทําไมเราทําเท่านี้เองก็ได้แล้วก็น่นละล่ะมันก็ทําเท่านี้เองละ่ะแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าทําเท่านี้เองเนี่ย บางทีม like like ันก re ็ทําให้เราประมาทเนาะเพราะมันเหมือนกับว่ามันง่ายนั้นนั่นคือเมื่อประมาทเนี่ยเราก็จะเหมือนกับกระต่ายกับเต่าเนาะที่แบบว่ากระต่ายก็เป็นความรู้สึกว่าตัวเองก็วิ่งเร็วกว่าเต่านะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็หลับสัก่อนพักสัก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เต่าเองเนี่ยเขาก็เพียรไม่หยุดนะคำว่าเพียรไม่หยุดจริงๆก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่เขาก็ค่อยๆเดินไปทีละก้าวค่อยๆเดินไปทีละก้าวค่อยๆเดินไปทีละก้าว ท้ายสุดเนี่ยก็เรียกว่าจุดหมายปลายทางก็ถึงแต่ในขณะที่คนหนึ่งเนาะอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะมันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยมันเหมือนกับเราเองก็ตกอยู่บนความประมาทซึ่งนี่ก็คือทำให้การที่ไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยล่าช้านั่นก็คือตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็พยายามที่จะชี้ให้เราได้เห็นเนี่ยอยู่เสมอๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ หลวงพรอหมเขียนก็จะพูดนะสมัยที่หลวงพรอมเขียนไปอเมริกาใหม่ๆหลวงพ่มก็จะบอกว่าโอ้เนาะในการปฏิบัติธรรมนะมันก็เหมือนกับเรานั erm ่งเครื่องบินนะไม่ต้องรู้หรอกนะว่าเขาจะพาเราไปไหนแต่ว่าพอเราถือตั๋วถูกต้องขึ้นเครื่องบินลําที่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ถึงปลายทางเองเราก็นั่งหลับไปบ้างนั่งรู้สึกตัวไปบ้างเร่งตานานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นนั่คือตรงเนี้ยหลวงพรออมเขียนก็จะชี้ให้เราเห็นแบบนี่นี่คือสิ่งที่ เป็นสิ่งที่สะดวกขนาดนี้เนาะสะดวกขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยก็ต้องทดลองกันเพราะเนื่องจากว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ผลเกิดขึ้นกับคนอื่นแต่ว่าผลเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเราเอ ง, เ ก, ก, เาเองการปฏิบัติธรรมจะทำให้ทุกข์ในตัวเราเนี่ยลดน้อยล ง, ลงเพราะฉะนั้นนคือตรงเนี้ยทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะ ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องกำหนดรู้เนาะทุกที่อยู่ในตัวเรามีอะไรบ้างเราเห็นความคิดเป็นทุกไหมเราเห็นการทำสิ่งที่เกินจำเป็นเป็นทุกหรือเปล่าอนะไรเงี้ยเนาะเหมือนถ้าหากว่าเราเห็นเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าอืมเราจะทำยังไงให้ทำที่สิ่งที่เกินจำเป็นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เหลือแต่สิ่งที่สมควรทำเพราะว่าบางทีในชีวิตเราเนี่ยมีการทาสิ่งที่เกินจาเป็นเนี่ย เยอะแยะและตลอดเวลานะต้องเรียกมาการทำสิ่งที่จาเป็นนะที่เกินจำเป็นนะที่เช่นเนาะแบบว่ากวาดบ้านไปก็ทุกไปด้วยอย่างเงี้ยเนาะทุกไปด้วยว่าทำไมถึงต้องมาทำหน้าที่นี้อนะไรเงี้ยเนาะทำไมถึงจะต้องเป็นเราทำไมถึงจะต้องอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรงไงก็ตามเนี่ยเนาะเรามักจะเป็นอย่างนี้ตลอดมาทำงานมากไปนิดนึงก็รู้สึกเบื่อเนาะทำไปด้วยก็คิดไปด้วย ทำงานมากแล้วหนักแล้วก็ยังเพิ่มเนาะเขเรียกว่าภาระทางใจเข้าไปอีกเพิ่มทุกข์ทางใจเข้าไปอีกตรงเนี้ยเราลองสังเกตดูว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนาะทำไม่นั่นก็คิดไม่ชอบทําไอ่นี่ก็คิดชอบ ท, ทั้งทั้งที่ก็ทําเหมือนกันแล้วสิ่งที่ทําก็ผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เราเป็นความสําเร็จเนาะอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มความคิดเข้าไปคิดยากเขาเรียกว่าคิดยุ่งคิดยากเข้าไปตรงเนี้ย ครูบาอาจารย์ก็พยายามชี้ให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันสามารถทำได้โดยปราศจากความคิดเนะาะนั้นคำว่าปราศจากความคิดก็คือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยในขณะที่เรากำลังตั้งใจ ย, ยกมือสร้างจาังหวะกันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยพวกเราเคยได้ระลึกถึงกันไมว่าอืเรากาลังตั้งใจหัดนะกำลังตั้งใจ ย, ยกมือสร้างจาังหวะ แต่ท้ายสุดเนี่ยความคิดที่มันแซงหน้าแซงหลังมามันก็ทำให้เราเปลี่ยนความตั้งใจเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าในขณะที่เรากำลังตั้งใจสร้างจังหวะอยู่ท้ายสุดเราก็ยกมือเป็นอัตโนมัติไปแล้วก็เอาใจของเราเนี่ยไปสนใจความคิดแทนเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยใจเราเนี่ยโลเลมากๆเลยใจเราเนี่ยโลเลมากๆเลยตั้งใจ แ, บบแป๊บเดียวเนาะมันก็ไปอีกแล้วตั้งใจ แ, บบแป๊บเดียวมันก็ไปอีกแล้ว ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าไตรลักษณ์ก็ปรากฏกับเราก็ทำให้เราได้เห็นผ่านการยกมือสร้างจังหวะก็สมจริงอย่างที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะเพียงแต่ทำความจริงให้มันโชว์ขึ้นมาเท่านั้นเองเนาะอย่างเงี้ยทำให้มันโชว์ขึ้นมาให้เราได้เห็นตรงเนี้ยคือความจริงก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้มองเรามัวแต่อศัยตาเนี่ย ไปมองอนุทมองอันนี้แต่ว่าตรงเนี้ยเนาะการที่เราเรียกว่าพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเห็นความจริงของพระอริยะเจ้าซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้เพียรเนาะก็เรียกว่าได้เพียรที่จะทํากันตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่านี้ก็เพียงแค่เราเริ่มต้นอย่างที่บอกบอกว่าเนาะเริ่มต้นที่สร้างกายเคลื่อนไหวขึ้นมาเนาะ แล้วก็เอาใจเนี่ยมารับรู้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะเราเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ใจของเราเนี่ยสารพัดสารเพเนาะตั้งแต่ก็ เ, เรียกว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยอย่างนึกถึงเนาะอย่างเวลาที่เราเงี่ยวหูฟังเนาะอยากรู้ว่าคนคนนั้นเขาพูดอะไรอยู่เราอยู่ไกลๆจะเดินไปใกล้ก็ดูเสียก็เรียกว่าเสียฟอร์มหรือว่าจะดูว่ามันดูน่าเกลียดนะเพราะฉะนั้นคือเราเองเราก็ส่งใจเราเนาะ ไปที่กลางวงเขาคุยกันพอส่งใจไปที่กลางวงเขาคุยกันเนี่ยก็ได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันพอได้ยินแล้วถ้าเกิดไม่ถูกใจเราก็ดึงใจเรากลับมาเนาะอย่างเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็ได้ใช้ใจของเรานะแล้วก็ไม่มีใครสอนนะความอยากรู้มันก็สอนเราเนาะอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรก็ส่งไปไม่อยากรู้ก็ดึงกลับมาตรงเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า เราเนี่ยรู้ว่าใจของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้เนาะแล้วเราก็ใช้ เ, เขาเรียกว่าลักษณะของความเคลื่อนไหวตรงนั้นนะ่ะเนาะให้เป็นประโยชน์กับสนองความอยากของเราอยู่นั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรการปฏิบัติธรรมแต่ว่านั่นคือเราทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าเมื่อก่อนเราใช้สนองความอยากแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกให้เราบอกว่า เราลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะไม่ทุกเนี่ยเราลองทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เราไม่ทุกเนี่ยลองทำได้ไหมตรงนี้นะอย่างนั้นพู้เจ้าเองก็ท้าทายเอาไว้หลวงพ่อคำขกยนก็บอกบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อหลวงพ่อนะให้ลองทำดูก่อนให้ลองทาดูก่อนตรงนี้หละก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยก็ลองทำดูเนาะลองทำดูโดยที่มีความตั้งใจว่าเราเนี่ยจะทาให้ชีวิตของเราเนี่ย มีความเดือดเนื้อร้อนใจน้อยลงโดยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยทุกน้อยลงหรือว่าเราจะทาให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ทุกเนี่ยตรงเนี้ ย, ยทำได้ไหมซึ่งตรงเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราลองทำดูแล้วเราลองสัมผัสนะก็เรียกว่าสัมผัสความจริงของพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นลำดับลาดับไปเราจะพบว่าความทุกข์ในตัวเราเนี่ยสามารถลดลงได้ในทันทีที่เรายกมือสร้างจังหวะไม่ถึง5นาที จริงๆก็ไม่อยากนะไม่อยากไม่อยากบอกว่าไม่ถึงหนาทีนะบอกเพียงแค่เราเริ่มยกมือสร้างจังหวะเท่านั้นเองเนี่ยเราจะเห็นอะไรต่างๆนาน า, นาหลายๆอย่างจะเห็นว่าอืมเราก็เองก็มีสมาธินะจะเห็นว่าอืมเราในขณะที่เรากําลังตั้งใจความคิดมันก็มาแซงนะอย่างเนี้ยแล้วก็เราจะค่อยๆเห็นตรงเนี้ยอยู่ว่าในขณะที่เรากําลังตั้งใจอย่างเนาะใจมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่ง ไอ้ความที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันก็ปรากฏให้เราเห็นขึ้นมาในทันทีเหมือนกันหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นจากกรรมาฐานเนี่ยเริ่มต้นจากการกระทําที่ถูกต้องตรงเนี้ยเนาะอย่างนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดเข้าเปลือกเนาะที่งอกงามได้ในทันทีในขณะที่เรากําลังมองเห็นเนาะว่าอืมนี่เรากําลังหลงไปคิดเนี่ยบัคเขียบหลอดก็เกิดขึ้นในทันทีเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ย ก็ขอให้เรียกว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยได้ทำให้พวกเราเนี่ยได้พบเห็นความจริงของพระอริยเจ้าแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้เพียรเนาะในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้เพราะว่านี่คือผู้ครูบาอาจารย์ก็กลัดมาจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์เองแล้วก็เป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าเอ็นดูพวกเราอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้พ้นทุกข์กันทุกคนแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ย ได้ใช้ความพยายามตรงนี้เนาะพาพวกเราไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันทุกๆคนก็พวกเรากลาบพระพร้อมกัน